เป็นวันออกอันสาปอรน า, าสำหรับพระภิกษุที่อยู่จำมันสาในไตรมาสสามเดือนอการอยู่จำมันสาก็เป็นการอยู่การฝนไม่ใช่อย่างอื่นใด เราดูฝนนั่นไปมาทางไหนมันไม่ไม่สะดวกสำหรับแต่ครั้งพุทธเจ้านั่นถนนหนทางก็ไม่สะดวกทางเดินธรรมดาเมื่อหน้าฝนมาแล้วก็เป็นตมเป็นโครนจะไปไหนมาไหนก็ลำบากแล้วตามตำรากล่าวไว้ว่า พระเที่ยวไปในฤดูฝนไปเหยียบคัณนนาเขาทำคัณนนาเขาให้ยุบไปเสียไปเหยียบต้นข้าวเขาพระศาสดาอาศัยเหตุอันนี้ปารบเหตุอันนี้ก็จึงได้วางระเบียบลงให้พระภิกษุสงฆ์สามพันเดนยอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝน แล้วนอกจากที่ว่าอยู่การผลแล้วก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างผู้ที่บวชเข้ามาใหม่ก็ได้ตั้งอกตั้งใจฝึกตนอยู่ใกล้กับอุปชาอาจารย์ได้ฝึกขนอบรมตนได้ศึกษาธรรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ผู้ที่ ประกอบทางสมถาวิปทานาก็ได้ตั้งอกตั้งใจเจริญสมถาอิปัานาให้แก่กล้าขึ้นในตนเพื่อมุ่งบรรลุคุณธรรมสูงขึ้นไปโดยลําดับ <c oughs> นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่ทายกทายิกาผู้ต้องการบุญ จะได้ทำบุญถวายทานในตามต้องการของตนได้เพราะการให้ทานในพุทธศาสนาเราก็ต้องให้ทานแก่พระสงฆ์เมื่อไม่มีพระสงฆ์หรือมีน้อยมันก็ไม่พอกับความประสงค์ของญาติโยมผู้ที่ต้องการจะทำบุญถวายทานให้มากสักหน่อย <c oughs> แล้วก็ ในฤดูการเข้าพรรษาสำหรับทายุคทายิกาก็ชอบนิยมทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์ทะนอกพรรษาออกไปแล้วก็มีกิจการงานอะไรต่ออะไรการทำข้อวัดปฏิบัติก็ย่อหย่อนไปดังนั้นในพรรษานี่จึงชื่อว่า มันมีประโยชน์ทั้งพระสงฆ์สามเณรมีประโยชน์ทั้งทายกทายกาจะได้ตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนสำหรับผู้ที่บวชชั่วคราวเมื่อบวชเข้ามาแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปให้เต็มที่ฝึกใจของตนให้เข้มแข็ง ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเช่นนี้ก็ยังว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตนไปมาซึข่าลาเพศออกไปแล้วก็จะไม่ละทิ้งข้อปฏิบัติที่เคยทำมาอันใดที่มันมันพอจะทำได้แล้วก็ถือเอาเป็นข้อปฏิบัติประจำตัว ถ้าถัดซึกออกไปแล้วก็ไปละเลยเสียทั้งหมดเลยเทำตนเป็นอยู่อย่างไรก่อนบวชเมื่อซึกออกไปแล้วก็ทำตนเหมือนก่อนบวชนั้นเหมือนเดิมนะในอย่างนี้การบวชเข้ามาแล้วก็มันก็ไม่มีความหมายอะไรเท่าไรนักมันไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ ให้ดีขึ้นกวัวเก่านั่นจึงว่ามันไม่มีความหมายนั่นเองะังนั้นผู้ ท, ที่บวชเข้ามาแล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักแนวทางข้อปฏิบัติรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณจักโทษและอย่างนี้แต่เมื่ออยู่ไม่ได้ลาสิกขาออกไปก็ต้องเลือกปฏิบัติ สิ่งใดมันเป็นโทษก็เว้นสิ่งใดเป็นคุณเป็นบุญกุศลก็ทำกันไปอย่างนี้ก็จึงคุ้มค่าของการมาบวชช่วระยะ 3-4 สามสี่เดือนพอจะได้เป็นอุปอิสัยปัจจัยติดตนไปทำให้ตนได้สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับแม้เป็นครือหัดก็ สั่งสมบุญกุศลได้ในขั้นของคฤหัสถ์ท้าไม่ประมาท ถ, ถ้าประมาทแล้วไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนก็สั่งสมบุญกุศลไม่ได้เต็มที่ความประมาทมาความเลินเล่อไม่เอาใจใส่ไม่สำรวมตนไม่สำรวมความรู้สึก อันเป็นบุญเป็นกุศลให้ตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปปล่อยให้จิตใจเสื่อมจากบุญจากกุศลไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเ <c oughs> มื่อทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาบุญกุศลไว้ไม่ได้เช่นนี้มันก็นับว่าการดำรงชีวิตยอยู่ในโลกนี้ก็ถ้า ถ้าเปรียบกับพวกพ่อค้าแม่ค้าแล้วพ่อค้าแม่ค้านั้นก็ทำการค้าไปขาดทุนนะไม่มีกำไรเลยอันนี้ฉันใดการเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ก็ดีหรือการมาปฏิบัติทำในระหว่างพรรษาของทายุคทายิกาถ้าตั้งอยู่ในความประมาทแล้วมันก็ไม่มีอนิสงส์มาก มันก็มีอันนี้สองน้อยนั่นความไม่ประมาทคือความเป็นผู้มีสติธรรมะสัญญารักษาจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่ให้จิตใจของตนห่างจากบุญจากคุณทำอย่างไรใจของตนจะมั่นอยู่ในบุญในคุณก็ปลอบใจสอนใจของตนไป อาอุบายเตือนใจของตนเสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนแต่จะตายวันไหนก็รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทต้องเครียมตัวไว้เสมอเพราะความตายนี่มันมันมีลักษณะอาการต่างๆกันบางคนกระเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นานจึงตาย แต่บางคนเพียงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นวันเดียวตายก็มีชั่วโมงเดียวตายก็มีมันเอาแน่นอนไม่ได้เลยชีวิตนี้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเอก็เตือนตนเข้าไปเมื่อตนประมาทปล่อยใจให้โลเลเหลวไหลไปแล้วไม่มั่นอยู่ในบุญในคุณตายลงไปก็ไม่ได้บุญได้กุศลเป็นที่พึ่งไปอ่า เหมือนอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชอยู่ในประเทศอินเดียครั้งนั้นเป็นอักษาสสนุปถมตอนทมสังคยายนายครั้งที่สามนั้นปันนั้นแล้วก็ยังมีศรัทธาสร้างพระวิหารประดิษฐานพระบรมมสารีธิกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้แล้วทำบุญฉลองเจ็ดปีเจ็ดเตือนเจ็ดวัน นำมีซ้ำยังไม่จุใจเอาสํมฤีซุปน้ำมันพันกายนี้หมดและจุดไฟเผาตัวเองเป็นพุทธบูชาแต่เดชะบุญรักษาไว้ไฟไม่ไหมเลยไม่แต่สํมฤีเท่านั้นจะถึงขนาดทำบุญกุศลมากมายพนั้นการที่ไม่สํารวมใจไม่มีภาวนา เมื่อเวลาเจ็บหนักลงจวนจะสวรนคตก็เสนาอามาัดมาประชุมกัน ต, ติเทียนพระราชาว่าทำทรัพย์สมบัติของตระกูลกษัตริย์นี่ให้ให้น้อยลงให้หมดไปสิ้นไปด้วยการทำบุญบริจาคทานพอ อโศกมหาราชได้ฟังอย่างนั้นก็น้อยพระไทยเสียใจอย่างแรงไม่รู้ว่าจะทำางไงตัวก็เจ็บหนักลงแล้วจะทำอะไรกับเพื่อนก็ไม่ได้มีแต่กรุ้มใจอยู่ไปในที่สุดก็ตายพอตายแล้วกรรมนั้นมันก็นำจิตวิญญาณให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมหากินปลาอยู่ในท้องทะเล แตเดชบุญได้ลูกชายเป็นพระอระหันต์พระมหินทเถระเจ้าได้เข้าฌานและพิจารณาดูจิตวิญญาณบิดาของตนเอาไปเกิดที่ไหนท่านก็รู้ได้ว่าไปเป็นงูเหลือมหากินปลาอยู่ชายทะเลท่านจึงได้เข้าฌานเหาะไปไปตักเตือนบิดาให้ระลึกถึงบุญกุศล ที่ทนทรมาเมื่อวิดาได้รับตักเตือนมีสติระลึกถึงบุญกุศลได้พอหมดอายุจากงูเหลือมนั้นก็ได้ขึ้นไปเกิดสวรรค์นี่แหละที่ยกเรื่องเาวานี้ให้ฟังมาก็เป็นอันได้ความว่าคนเรานี่ถ้าอยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะ แล้วอย่างนี้ท่านถือว่าอยู่โดยความประมาทเพราะคนอยู่ปราศจากสติสัมปัญญะนี่ไม่รักษาจิตใจตัวเองใจคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไงก็ปล่อยให้มันไปอย่างนั้นใจมัวหมองอยู่อย่างไรก็ให้ ม, มันมัวหมองอยู่อย่างนั้นใจมันเป็นทุกข์เป็นโศกอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นทุกข์เป็นโศกอยู่อย่างนั้น การปล่อยจิตใจของตนให้เป็นไปตามยถากรรมอย่างนี้าท่านเรียกว่าอยู่ด้วยความประมาทให้เข้าใจผู้ไม่ประมาทเมื่อรู้ว่าจิตใจของตนมันมัวหมองอยู่ด้วยเรื่องอะไรเช่นนี้เราก็พยายามสอนใจของตนให้ละเรื่องนั้นเมื่อละเรื่องนั้นได้แล้วจิตใจก็ผ่องใสคืนมา เมื่อกิเลส น, นั้นมันระงับไปจากกิจใจแล้วใจก็ผ่องใสอยู่ตามเดิมนี่ทมอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามชำระตนให้ผ่องใสสะอาดอยู่เรื่อยไปนี่เป็นจุดมุ่งหมายของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เจ้าทรงสอนให้ปรารภความเพียรอยู่บ่อยๆนั่นแหละ การปรารบความเพียงก็หมายความว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ั่งยืนลึกเข้ามาดูกายดูใจตัวเองอยู่เสมอใจตนเองเป็นปกติอยู่หรือว่ามันหนวนไหวมันเดือดร้อน้วยเรื่องอะไรอย่างนี้นะต้องเพียงเพ่งพินิษดูกายดูจิตอันนี้เอาร่างกายนี่มันไม่ยังยืนมันเป็นอย่างไรก็เพ่งดูให้มันรู้ความจริงของร่างกายนี้ ใจตนเองเป็นยังไงอยู่เวลาเนี้มันรู้แจ้งอะไรอยู่บ้างหรือมันไม่รู้แจ้งมันสงสัยลังเลอะไรนี่ต้องเพ่งพินิษ ด, ดูใจตัวเองเมื่อรู้ว่าใจในมันไม่รู้แจ้งในเรื่องนั้นอยู่ก็กําหนดพิจารณาเรื่องนั้นไปโดยลําดับจนกลัวมันจะรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นนั้น อย่างนี้แหละจึง่อว่าเป็นผู้มีความเพียรไม่ประมาทเพียรฝึกใจสอนใจของตนเองให้ละความยึดความถือเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกพูดสั้นๆน ะ, ะเพียรละความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะรู้ว่าตนนั้นได้ได้โกรธให้ใครโดนใครมา แล้วอย่างนี้น ะ, ะก็มาสอนใจของตนให้เบื่อนายให้เห็นโทษในความโกรธนั้นอย่าไปชื่นชมยินดีกับความโกรธแต่คนส่วนหลายคนเะมื่อได้โกรธเพื่อนแล้วนะั่นน่ะดีใจสบายใจดีก็มีถ้าไม่ได้โกรธแล้วมันขุนเคืองอยู่นั่นแหละไม่สบายใจได้โอกาสก็หาเรื่องโกรธเพื่อนเข้าไป เมื่อโกรธเพื่อนผ่านไปแล้วก็สบายใจอย่างนี้ก็มีอันนั้นเลยว่ามันมันยึดเอาความโกรธเป็นเรือนนอนถึงมีความสบายได้ก็สบายในขณะที่ความโกรธมันไม่แผงฤทธิ์คันเมื่อความโกรธมันแผงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วมันก็ร้อนใจเดือดร้อนใจอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละฤทธิ์ดเดชของความโกรธนั่นน่ะ มันมีพิษร้ายยิ่งกว่าพิษงูเห่าดังนั้นทุกคนนะอย่าไปอยู่ด้วยความประมาทให้ตามเพ่งพินิษดูจิตใจเองตนตลอดเวลาไปอตามควบคุมจิตตัวเองไว้เสมอเสมอเละอย่าให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่ไม่ดีอย่าให้มันแสหาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวเอง ต้องควบคุมจิตต้องภาวนาพุทธโธไว้เสมอเอาพุทธโธคุณผูกจิตตัวเองไว้อย่าให้มันคิดแสบไปในทางบาปอากุศลต่างๆใช้ปัญญาพิจารณาประกอบกับสมาธิด้วยใช้อุ บ, บายปัญญาสอนใจนี่เสมอไปแหละทำไมถึงมายึดมาถืออยู่ ความยึดถือยึดมันถือมั่นในของไม่เที่ยงนี่แนะ้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าแน่นอนแหละมันก็เป็นทุกข์สิเพราะไปยึดเอาของไม่เที่ยงมาไว้เมื่อถึงเวลามันแปรปรวนไปมันก็ไม่ได้สมหวังแหละมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละเหมือนอย่างว่ามายึดร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตน เวลามันมีกำลังดีปกติอยู่มันก็สบายอยู่ไม่เดือดร้อนเท่าไรนักทันเวลามันโกไภเบียดเวียนเข้าไปบีบคั้นเข้าไปเอาแล้วว่านี้ได้รับความเดือดร้อนในใจผู้อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เนะี่ยก็อย่างนี้แหละถ้าเมื่อบุคคลไม่สอนตนของตนให้รู้แจ้งในความแปลรวนของร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่านี่ มันก็ต้องเดือดร้อนอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยเดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจมีความภาคเพียนเพ่งพินิษอยู่ในตัวเขาตัวเองเสมอเสมอดังที่แนะ น, นำมานี่แหละ ให้มามองเห็นความเกิดความดับความแปรฟวนของร่างกายสังขารต่างๆหมดนี้นะอยู่เสมอไปอย่าไปเลือกและดูการว่าการนี้การเข้าพรรษาจึงขมักคำแม่นทาความเพียร น, นอกพรรษาออกไปแล้วก็หย่อนยานไปไม่ค่อยขมักคำแม้นในความเพียรเท่าไหร่ไออย่างนี้นับว่ามันไม่ถูกต้องเลย ไม่ถูกต้องกับบทพระธรรมคุณที่ว่าอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมนั้นมีอยู่ทุกเมื่อพระศาสดาทรงตรัสว่าเมื่อเราพิจารณาอยู่เวลาใดพระธรรมก็ปรากฏแจ่มแจ้งในใจอยู่เวลานั้นเมื่อตนปล่อยตนวางความยึดความถือ ไปเมื่อไรตนก็มีความสุขสบายใจอยู่เมื่อนั้นถ้าปล่อยวางเลื่อยไปก็เป็นสุขสบายใจเรื่อยไปเป็นอย่างนี้นะจึงว่าพระธรรมคำสองพุทธเจ้าเป็นอะกาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะมีให้ดูให้เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีพระธรรมคืออะไรก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่นเอง เมื่อย่นลงแล้วไม่ใช่อย่างอื่นใดรูปธรรมนามธรรมนี่มันมีทั้งบุญมีทั้งบาปตกแต่งให้อยู่เนี่ยสิ่งใดบุญตกแต่งให้มันก็ดีมันก็ปกติดีมีกำลังเรี้ยวแรงดีเวลาใดบาปมันมาให้ผลตกแต่งมันก็ทุกข์ผลลภาพลงเป็นทุกข์เดือดร้อนไป น, นี่นามรูปนี่เนี่ยมันมีทั้งบุญทั้งบาปเป็นเครื่องตกแต่งดังนั้นผู้ใดมาเพ่งพิจารณาเห็นอย่างว่านี่แล้วก็เว้นจากบาปเสียแล้วเพราะว่าบาปนั้นมันมาแต่งให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะอาศัยความเห็นแจ้งอย่างว่านี่เนะี่ยเป็นเหตุให้คนเราไม่ทําบาปกลัวบาปนั้นมันจะไปตกแต่งร่างกายนี่ให้ไม่ดีไม่งามต่อไป จะได้สเสวยทุกทนทรมานเพราะความประมาทสั่งสมบาปอากุศลใส่ตัวเขาตัวเองจึงได้รับทุก์เมื่อภายหลังนี่เรารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อย่าให้มันเสือ่อมเมื่อความรู้ความเห็นอย่างนี้ไม่เสื่อมและอย่างนี้จิตใจมันก็เป็นปกติไป เอาใครด่ามามันก็ไม่โกรธบ้านีใครทำหนีตีเตียนมามันก็ไม่เสียใจอะโลกอันนี้จะเราหนีไม่พ้นหรอกถ้าเขาชอบใจเขาก็สรรเสริญให้ถ้าเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทาให้อันนี้เป็นโลกธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่พ้นผู้ที่เกิดมาในโลกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นจากคนนินทาสาอะไรคนธรรมดาสามัญ นี่ต้องมีอุบายสอนใจเตือนใจของตนอย่างนี้เสมอๆไปแล้วมันก็ไม่หวนไหวต่อคำสรรเสริญคำดินทาของคนในโลกนี่แหละข้อสำคัญก็มาดูตัวของตัวเองนี่ถ้าเห็นว่าตนนั้นบริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินอยู่ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณมีความสำรวมระวังอยู่ไม่ไม่ได้ทำเสียหายอะไร เมื่อรู้ว่าตนเป็นปกติอยู่อย่างว่านี่นะมันก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับคำสรเสริญคำนินทาของคนวางตนให้สม่ำเสมอไปได้นั่นแหละเรียกว่าผู้ประพฤติธรรมผู้ทั้งอยู่ในธรรมผู้มีธรรมเป็นวิหารเครื่องอยู่อาศัยทั้งกลางวันและกลางคืนดังแสดงมา ขอยุดติลงเพียงเท่านี้